อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระ ร, รมและประสงค์เป็น ส, รสราระตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง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 คือภูประพฤติ ธ, ธร ร, ร่วมกันทั้งหลายสงสัยในพระศ า, าสดานั้นก็คือสงสัยในพระปัญญาจรัสรูของพระพุทธเจ้า พระบรมศา ส, สดาว่าพระองค์ได้เป็นภูตัสโรจริหรือแม้ตามบทที่สวดกัน ว่าอิทธิปิโสภ ะ, ะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธเระาภูมิประภาคเจ้านั้นเป็นพระอระหันต์ผูกไกลกิเลสเป็นภูตัสโรเองชอบแม้อย่างนี้แม้อย่างนี้ ดังนี้เป็นต้นทรงเป็นภูไกลกิเลสจริงหรือสัสรู้เองชอบกิงหรือดังนี้เป็นต้นมีกังขาสงสัยในพระธรรมลั้น ก็คือสงสัยในประธรรมที่กรจัดรู้ว่าทรงกระจัดรู้อะไรความตระจัดรู้นั้นเป็นความรู้จริง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 ในข้อนี้ก็ได้มีเรื่องเล่ามาแล้วในครั้งพุทธกาลถึงทิกษุผูมีความเห็นผิดบางรูปได้คัดค้าดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า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 ปฏิบัติกระทำแต่ว่าข้อที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าทำอันตรายนั้นหาได้กระทำอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติกระทำไม่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 ก็คือมีความสงสัยว่าโมแห่งสาวกคือศิษย์ของพระพุทธเทจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงหรือเป็นผู้ปฏิบัติตรงหรือดังนี้เป็นต้น คือเป็นชอบหรือสงสัยในสิกค้านั้นก็คือสงสัยในข้อที่จะพึงศึกษาเล่าเรียน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 ธรมมะร่วมกันทั้งหลายก็คือมักจะเป็นภูที่มีใจน้อยโปรดง่ายหรือมักจะเพ่งโทษของภูที่อยู่ด้วยกัน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 ในสพรมาจารีทั้งหลายทั้งข้าค้อนี้หากเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจก็เป็นเหมือนอย่างตะปูที่ตอกตรึงใจทำให้จิตใจ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 เป็นต้นวัตถิสมาธิปัญญาให้เจริญเพราะมีทั้งห้าข้อนี้เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เกิด ความตั้งใจที่จะปฏิบัติสมาทานหรือปฏิบัติในสีลสมาธิปัญญาขัดขวางต่อศรัทธาขัดขวางต่อวิริยะความเพีย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 จึงให้ปฏิบัติละเสียถอนกระโปูที่ตรึงใจนี้ออกเสียคือถอนกังขาสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสง์ในสิกขาและดับความมักโกรธขัดใจ ที่บันเกิดขึ้นในสพรมจารีทั้งหลายและเมื่อได้ถอนกังขาสงสัยและดนับความโกรธหัดใจดังกล่าวได้ก็เป็นอันว่า ถอนตะปูใจออกได้เมือ่อถอนตะปูใจออกได้จึงจะทําให้การปฏิบัติกรรมฐานหรือกล่าวรวมๆ ว, ว่าทําให้ศึกษาเล่าเรียนจะทำโมบินไนศึกษาปฏิบัติจะทำโมบินไน จเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้อีกหมดหนึ่งตรัสสอนให้รู้จักเจโตวินิพันธะคือเครื่องหกพันใจอันได้แก่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 เพราะว่ากำหนัดยินดีอยู่ในกามนั้นก็คือติดใจยินดีหรือกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระที่นารักใถ่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย ทำให้ใจติดอยู่ในกามไม่เป็นเนคคัมะคือออกไม่ได้เนคคัมะนั้นแปลกันว่าออกก็คือออกบวตรตามความหมายทั่วไปแต่ก็มีความหมายในทางจิตใจ ที่ช้ได้ทั้งบรรพจิตทั้งเครือัดเหมือนกันก็คือออกจากความติดใจยินรีอยู่ในกรามนั่นเองเมื่อจิตไม่มีแนคำมะ ก, ก็ไม่ได้สมาธิ จิตใจยินดีในกายนั่นก็คือในกายของตนอันนับว่าเป็นตันหาจริตอย่างหยาบทำให้พอใจ ในการที่จะตกแต่งตายจึงไม่คิดที่จะตกแต่งจิตใจมุ่งไปจะตกแต่งกาย ติดในกายและเมื่อเป็นดังนี้คิดก็ออกไม่ได้และนอกจากนี้ยังหมายถึงติดอยู่ในสุขเวทนาทางกาย มากอีกด้วยเช่นมุ่งที่จะทุุทะลุกรงบำรุงกายให้มีความสุขจะต้องอยู่ในที่ที่มีความสุขทางกาย ยังเป็นอันทาให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติเกิดทำสิ่งที่จะทำให้ร่างกายเป็นทุกข์จะตากแดดสักหน่อยหนึ่งก็ร้อนไม่ได้จะตากฝนสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ จะถือเศียข้อไม่นั่งไม่นอนบนที่นอนที่ยัดนุ่นก็เจ็บกายทำไม่ได้จะนั่งกรรมฐานาสักหน่อยหนึ่งก็ปวดเมื่อยกายทำไม่ได้ดังนี้ ก็รวมอยู่ในข้อว่าจิตใจยินดีอยู่ในกายจิตใจยินดีอยู่ในรูปนั้นท่านอธิบายว่ารูปภายนอกต่างๆตั้งตนแต่ เครื่องแต่งกายบ้านเรือนเครื่องแต่งบ้านเรือนและทุกๆอย่างจะต้องเป็นสิ่งที่สวยงามจะต้องเป็นสิ่งที่ประณีตต่างๆ ความติดใจยินยีอยู่ในรูปภายนอกนังกล่าวมานี่ก็ทำให้นขนไควแต่ในเรื่องของการที่จะประดับตกแต่งที่จะทำให้สิ่งต่างๆโดยรอบ มีความสวยงามวิจิตพิสดานจึงเป็นอันว่าไม่มีเวลาที่จะมามุ่งปฏิบัติกรรมฐานหรือปฏิบัติธรรมคือไม่คิดที่จะมาตกแต่งธรรม คือตกแต่งอุศลนธรรมทั้งหลายให้มังเกิดขึ้นกินแล้วนอนก็เป็นการตัดประโยชน์ทำนองว่าชีวิตนี้ ดำรงอยู่ก็เพื่อกินนอนไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์เสียทั้งทางโลกทั้งทางธรรมและความมุ่งที่จะเกิดในหมู่เทพ คือมุ่งสวรรค์ก็เป็นความมุ่งที่สูนทางกับมรรคผลนิพพานอันเป็นสงของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้น เพื่อมรดผลนิพพานหรือว่าถ้าโพดอย่างสามัญลงมาก็เ พ, าเพื่อความดีเพื่อความบริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อสวรรค์จะเป็นสวรรค์ในโลกนี้ อันหมายถึงว่าความสุขต่างๆในโลกนี้ทางวัตถุหรือสวรรค์นในโลกหน้าตามที่แสดงไว้ก็ตามแต่ว่ามุ่งที่จะที่จะขัดเรลาตนเอง ตนเองให้เจริญด้วยธรรมะที่เป็นคุณธรรมนำให้เกิดความดีงามต่างๆทั้งในปัจจุบันทั้งในภายหน้าและทั้งที่เป็นความดีงามอย่างยิ่งคือบัคผลนิพพาน เพราะฉะนั้นพระพุทธเ จ, จ้จาจึงสอนให้รู้จักว่าทั้งห้าข้อนี้คือมียินดีอันเรียกวราคะอยู่ในกามในกายในรูป และเอาแต่กินนอนกับมุ่งสวรรค์ก็คือมุ่งความสุขทางวัตถุต่างๆเป็นเจโตวิธิพันธะคือเครื่องผูกพันใจ ผูกพันใจเอาไว้ให้ปฏิบัติกระทาหรือจะเรียกว่าศิกษาศึกษาก็ได้เหมือนกันเพื่อกามเพื่อกายเพื่อรูปเพื่อกินนอน เพื่อเพื่อวันเราฉะนั้นจึงไม่อาจที่จะทรง จ, จิตใจมาศึกษาธรรมะอันเป็นคุณธรรม นำให้เกิดความดีงามต่างๆไม่ตกแตง่งหรือว่าปรุงแตง่งรรมปฏิบัติอันเป็นส่วนดีงามไม่ ปฏิบัติปรงแต่งรูปประชานอารูปประชานหรือพูดเป็นกลางๆว่าไม่ปฏิบัติปรงแต่งธรรมะที่เป็นคุณงามความดีแม้ตั้งแต่คันรูป กาทำที่เป็นส่วนนี้ส่วนชอบและเอาแต่กินนอนไม่ประกอบชีวิตใช้ชีวิตให้ทำประโยชน์อะไรและไม่บุ่ง ธรรมะที่เป็นคุณงามความดีมุ่งความสุขที่เป็นวัตถุอันเรื่องของมุ่งสวรรค์อันเป็นความสุขที่เป็นวัตถุนี้เป็นการกล่าวถอดความเข้ามา ให้เห็นสวรรค์ที่เป็นปัจจุบันเพราะแม้สวรรค์ในโลกหน้าตามกวนล้วนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุขทางวัตถุทั้งนั้นประกอบไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลผลพที่ งดงามน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายตามที่คนในโลกที่เป็นคนสามัญต้องการกันเรานี่มาพูดถึงปัจจุบันก็คือความสุขทางวัตถุที่เป็นปัจจุบันต่างๆคนเราที่เห็นแก่ได้ เห็นเห็นแก่เงินแก่ทองเห็นแก่ความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็กล่าวได้ว่าล้วนแต่มุ่งสวรรค์นในปัจจุบันได้ทั้งนั้นและเมื่อเป็นดังนี้จึงทำให้ตีราคาของวัตถุ เห็นเงินทองทรัพย์สินยิ่งกว่าธรรมะที่เป็นคุณธรรมอันเป็นตัวความดีต่างๆคนจึงขึ้นธรรมะ ทิ้งศีลทิ้งสมาธิทิ้งปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าในทรงสั่งสอนเอาไว้คือไม่ศึกษาปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาแต่ไปศึกษาในทางที่มันจะได้เงินมามากๆอย่างไรจะลักอมโมยอย่างไรจะโกงอย่างไรจะรวบรวมมาได้อย่างไร เหล่านี้เป็นต้นเพราะเมื่อใดวัตถุนั้นมาเป็นวันในเงินใดทองมาก็เป็นอนุนั่นเป็นที่ประสงค์ตีราคาของสิ่งเหล่านี้ยิ่งไปกว่าราคาของธรรมะที่เป็นตัวคุณงามความดีเพราะฉะนั้นข้อที่พระพุทธเจ้าจัดว่ามุ่งสวรรค์นั้น ก็ควรจะทำความเข้าใจลงมาดังนี้ด้วยซึ่งเป็นอันตรายต่อศีลธรรมต่อความสงบสุขของมูชนเป็นอันมากดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะคนมุ่งวัตถุดังกล่าวนี้ และตีราคาวัตถุดังกล่าวนี้สูงกว่าราคาของธรรมะที่เป็นคุณงามความดีโดยฉะนั้นแต่ละข้อที่ตรัสไว้จึงเป็นสัจอยากคือความจริงที่เป็นเครื่องผูกพันใจเมื่อให้ไฝ่หาธรรมะที่เป็นตัวคุณงามความดีแต่ให้ไฝ่หาแจกการม แต่กายแต่รูปแต่การกินการนอนแต่สวรรค์ก็คือความสุขทางวัตถุต่างๆตามที่ต้องพระฉะนั้นจึงจะสอนให้ละเสียจึงจะสามารถปฏิบัติธรรมะ อันเป็นส่วนคุณงามความดีให้ก้าวหน้าสึกไปได้และก็ไม่ต้องหวาดึงมรรคผลนิพพานเอาแค่ธรรมะที่เป็นคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันเป็นประโยชน์ภายหน้าเท่านี้ก็จะต้องละเครื่องถูกพันใจเหล่านี้เสียด้วยจึงจะปฏิบัติให้ถูกต้องได้และถ้าหากว่า ไม่ปฏิบัติละเสียความเบียดเบียนกันในโลกก็จะยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นจนถึงเรียกว่าเป็นกาลยุคคนก็จะยิ่งเบียดเบียนซึ่งกันและกันทำร้ายร่างกายกันข่าฟันกันมากขึ้นทุกทีทุกทีต่อเมื่อละเสียได้มามุ่งที่จะ ศึกษาปฏิบัติธรรมะเพ่เป็นส่วนคุณงามความดีกันให้มากขึ้นและความมุ่งที่จะบำรงุงปรับปรุงกามกายรูปกินนอนและมุ่งสวรรค์คือความสุขทางวัตถุต่างๆดังกล่าวอันหนึ่ง เมือ่อดนตรัสสอนให้ละตะปูที่ตรึงใจตะปูที่ตอกตรึงใจห้าประการและเครื่องผูกพันใจห้าประการดังกล่าวนี้ก็ได้ตรัสสอนให้อบรม กิจธิบาตคือธรรมะที่ให้บรรลุถึงความสำเร็จวิมังสาความไตรวนพิจารณาสมหรับเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมะที่เป็นคุณงามความดีต่างๆให้มังเกิดขึ้นและกัดเพิ่มอีกข้อหนึ่ง อันเรียกว่าอุดสนธิแปลกันว่าความขมักขม่นแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็อาจหมายถึงขันติคือความอดทนความอดกลั้นทนทาน ซึ่งเป็นเหตุให้สามารถมีความเพียรหมักขมันปฏิบัติกิจที่พึงปฏิบัติปฏิบัติธรรมะที่เป็นคุณงามความดีให้สำเร็จได้อีกข้อหนึ่งรวมเป็น5้าข้อด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงรวมเป็นสิบห้าข้อคือในด้านละเสียสิบข้อ ละตะปูที่ตอกตรึงใจห้าข้อและเครื่องผูกพันใจห้าข้อและอบรมอิธิบาทีกับอบรมขันติคือความอดทนกดกลั้นทนทานอันทำให้ ค, ำคำมาคม้นปฏิบัติกรรณายะคือกิจที่ควรทำต่างๆให้สำเร็จได้ รวมไป็นสิบห้าข้อและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะสามารถปฏิบัติธรรมะที่เป็นคุณงามความดีได้ทั้งที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันทั้งที่เป็นประโยชน์ภายหน้าทั้งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งหรือปฏิบัติในกรรมฐานทั้งด้านสมถะสมถานที่ปรัสนากรรมฐา น, น, าฐานให้บรรลุถึงความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปได้